ส่วนสัพพะะพะหุสุตาก็คือปิดกสามนั่นเองนะนะพันพวกสัพพะะพะหุสุตาก็คล้ายกับพระอานนทเทระอันนี้เรียกว่าพวกสัพพะะหมายว่าโดยประการทั้งปวงในปิดกสามเรียกว่าพหุสูตมันถ้ายังยินดียังฝักฝ่ายยังพอใจศึกษาเล่าเรียนคําสอนอยู่อย่างนี้ก็ไม่เสื่อมส่วนข้อที่ห้าปรับความเพียร น, นะอรัฐวิริยา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 ผู้ที่แต่ปรัความเพียรบอกเนี่นะถ้าเราไม่รีบเจริญถ้ามากลับมาป่วยใหม่แย่นัเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันดีแล้วมันหายบ้างแล้วจะรีบเจริญเลยเดี๋ยวป่วยอีกรอบหน่งอดแน่นี่ยนะคือเขาจะคิดบางคนก็บอกโอ้ยเจริญความเพียรไม่ได้หรอกนี่ต้องเดินทางอ่าทัศนิสุอีกรูปหนึ่งที่ปรับความเพียรบอกเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วตอนเดินทางนั้นมันเจริญยากนันต้องรีบเจริญไว้ก่อนเดี๋ยวเดินทางแล้วจะลำบากบางพวกเขาบอกโอ้ยเพิ่งเดินทางมาใหม่ๆ่พักผ่อนก่อนหายเหนื่อยก่อนคนนี้กก็บอออยเเเนนนนตดดิิทาางรรจญไ้้ เพราะฉะนั้นมาถึ ง, ถงที่แล้วเราก็ เ, าเจริญให้มันมากเขาเรียกว่าอธิบายได้ว่าต้องเจริญอย่างเดียวลักษณะนี้เรียกว่าพวกปลาลบความเพียรส่วนพวกเกียร์ค้านอธิบายได้ว่าเหตุผลก็คือทาไมตัวเองไม่เจริญกลุ่มนี้นะโอ้ยเหมือนเก่งนะอธิบายได้เพราะตอนนี้กำลังตอนนี้จะเดินทางตอนนี้เพิ่งเดินทางมาใหม่ๆตอนนี้ยังติดงานก่อสร้างตอนนี้ยังเพิ่งหายป่วยตอนนี้อ๊อธิบายได้หมดเลย ไอ้อธิบายและฉลาดเท่าเดิมเนี่ยนะมันมันมยอมวามัดีไหมใช่ไหมอธิบายและฉลาดเท่าเดิมกุศลจิตมีเหมือนเดิมทุกอย่างอันนี้แปลว่าขี้เกียดนั่นเองนีอธิบายได้จนโมหะเหมือนเดิมศรัทธาลดลงกว่าเดิมเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เรียกว่าขี้เกียร์คลานเหมือนันน่ยผู้ที่อยู่ด้วยความเกียร์คลานเนี่ยถือว่าอยู่เป็นทุกข์ส่วนภิกษุเหล่าใดบรรเทาการคลุกคลีทางจิตอยู่แต่ผู้เดียว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 ช่วยให้เราพ้นทุกได้นะช่วยให้ปิดอบายทุกปฏิมินิบาตินรกได้นะช่วยให้พ้นชาติชรา ม, มรณะได้นะภาคเพียนต่อไปเธอถ้าเธอเจริญจนเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์แล้วจะทําที่สุดแห่งทุกได้เขาก็จะหาสรรหากําลังใจเนี่ยนะสรรหาศรัทธาที่จะให้เจริญต่อไปเป็นต้นพวกนี้อธิบายจนต้องเจริญวางั้นเถอะถ้าเราบางท่านเนี่ยที่เจริญบอโอ้เนี่ยถ้า น, นั้นว่าถ้าเราตกนรกเราจะได้เจริญอย่างนี้ไหมไม่ได้เจริญเพราะตอนนี้รีบเจริญที่สุดเลย เออนี่ถ้าเราโม่แต่ไปเกิดเป็นเปรตนะเราจะมีโอกาสปฏิบัติแบบนี้อีกต่อไปไหมบอกไม่มีละมันจะต้องต่อเ น, นี่ยยังไม่ได้เป็นเปรตก็รีบเจริญไว้ก่อนถ้าไปเป็นเบเดระชานไปเป็นหมูหมากาไกา่เป็นต้นเนี่ยทำอะไรได้เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบเจริญให้ก่อนนะนะสมมติถ้าเรากลับมาเกิดชาติใหม่โอ้แล้วเมื่อไหร่จะเรียนฉลาดเท่าวันนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าฉลาดกว่าดังนั้นถ้าต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องมาอยู่ในท้องกว่าจะต้องมาเรียนสระสระอีกเนี่ยโอ้ยกว่าจะ เ, เรื่องเวลาเป็นชิ้นเป็นอันเป็นมนุษย์มนา่ากับเขานี่มันใช้เวลานานมากหลอ่อล้อมเนี่ยมันตอนนี้มันพอรู้ความได้แล้วก็รีบเจริญให้มันเต็มที่เลยนะมันก็อธิบายได้ว่าโอ้เนี่ยถ้าเรามาเกิดใหม่ถึงมาเป็นมนุษย์อา้าวถ้าพุทธศาสนาหมดแล้วเราก็เมื่อไหร่จะได้เจริญอีกต้องรอพระศีอานมาสอนนั่นแหละเมื่อไหร่ไม่รู้เกิดทางมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นพวกปลายฝนต้นหนาวก็เหมือนเราตอนนี้แหลยว่า ง, งั้นนถะนะมันก็ยากเพราะฉะนั้นก็ต้องตอนนี้รีบเจริญเป็นเวลาเป็นสมัยสมควรที่สุดที่จะ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 แต่ถ้ายังเห็นว่าอากุศลเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่ก็ถือว่าเจริญนะเพราะแปลว่าอะไรมีฮิริโอตปะใช่ไหมถ้ายังเห็นว่ามันมีทุกข์มีโทษมีพิษมีภัยอยู่ก็ยังเจริญอยู่ถ้าอย่าลืมก็ยังไงก็ปรับทัศนคติอันนี้ว่าอากุศลมีโทษโดยส่วนเดียวนะถ้ายังรักษาอย่างนี้ได้ก็ต่อไปก็กุศลเจริญข้อที่6เนี่ยนะมีสติตั้งมั่นอุปถัตตสติเนี่ยนะก็คือมีสติระลึกถึงตามระลึกถึงกิจที่ทําไว้แล้วแม้นานเป็นต้นได้ เราเลือกได้นานแค่ไหนเขาก็ยกตัวอย่างพระเทรรสามรูปเนี่ยนะโหเก่งมากนะแต่ละองค์ไม่รู้ปัญญาธรรมาจากอะไรไม่แม่นจำแ ม, ม่นมากเลยเหมือนพระมหาคติคติมพาพระอภัยเถระพระทีทีคกะอภัยเถระและก็พระติปิตกะจุลาพยาเถระได้ยินว่าพระมหาพระมหาคติมพาพระอภัยเถระเนี่ยนะ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 แต่อันนี้นี่พูดถึงแบบทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านะตั้งกับอยูตั้งกับคลอดตั้งกับอยู่ในคันตั้งกับก่อนมาเกิดท่านระลึกได้ยาวว่างั้นเถอะแต่ถ้าพูดแบบธรรมดาเนี่ยงค์นี้ก็เก่งอะนะอตห้วันตั้งกับเกิดส่วนอีกรุ่งหนึ่งสําหรับพระทีคณากะอภัยเถระก็คือผู้ทรงทีแค่นกายบอกว่ามารดาของพระทีคณากะหรือทีนกะอภัยเถระเนี่ยนมตัวลงหมายจะจุมพิษก็เรียกว่าจูบลูกอะนะ หอมแก้มลูกอ่ะในวันที่9หลังจากเกิดอ่ะพอดีมวยผมของนางก็สยายดอกมะลิประมาณหนึ่งขนานก็ตกไปที่อกของทารกดอกมะลิตกไปอกเด็กก็เจ็บอ่ะน ะ, ะเมื่อพิพสูจนทั้งหลายถามท่านว่าท่านขอรับท่านระลึกได้ตั้งแต่เมื่อไร่บอกว่าตั้งแต่เก้าวันนับตั้งแต่ผมเกิดมาเกิดมา9้าวันเนี่ยจำได้เลยนะตั้งแต่วันเจ็บเป็นต้นมาเนี่ยเรื่องราวระหว่างเนี่ยจำได้หมดเลย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 หวังได้เลยว่าไม่เสื่อมเจริญอย่างเดียวนะเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมแน่นอนเป็นอปริหานิยธรรมที่จริงนะสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณธรรมอยู่ที่ใจของเราเนี่ยนะทำยังไงเนาะมาหากุศลของเราจึงจะเพิ่มศรัทธาได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิ่มฮิริโอตปะจริงๆอ่ะนะถ้าเราเรียนเชิงอภิธรรมมาบอกเอา้าก็คุณธรรมเหล่านี้มันเกิดพร้อมกับกุบศลจิตอยู่แล้วบอกใช่เกิดพร้อมก็จริงแต่ว่า ก็สักแต่ว่าเกิดน้าถามว่าอะไรนะเคยทานอาหารรสจืดถามว่าในนั้นอ่ะมีเค็มบ้างนิดหน่อยมีบ้างไหมมีเอ้าทําไมเขาเรียกอาหารรสจืดอ่ะทาไมต้องเติมอะไรอย่างอื่นใะ่ไมันมันน้อยอ่ะมันไม่พออ่ะฉันใดคุณธรรมที่อยู่ในใจเนี่ยจริงอยู่โสภนะเจตสิกอ่ะมันมีแต่ว่ามันไม่มีเรียวมีแรงแหมอ่อนแอทั้งนั้นเลยะนะเพราต้องมาทําให้มีพละมีกําลังทําให้เจริญเติบโตเรียกว่าทําให้มี คุณภาพเรียกว่าเร่งเร่งคุณภาพให้คุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยมีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ต่อไปถึงอปริหานิยธรรมศัตกกที่สี่ว่าข้อ73ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตจักสแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ประการอีกหมวดหนึ่งแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงทำไว้ในใจให้ดีตถาคตจะกล่าวภิสูุนเหล่านั้นก็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 ก็ภิกษุทั้งหลายยังจักเจริญวิริยะสัมโพชฌงอยู่ตลอดการเพียงไรภิกษุทั้งหลายเพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ก็คื อ, อยังเจริญวิริยะสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธาเน้อมไปเพื่อการสละหรือว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ถูกต้องแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ พระนิพพานผู้ที่ปฏิบัติตามนี้จริงก็ไม่เสื่อมอะนะไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปโดยที่ไม่เสื่อมเลยเพราะว่าเจริญอย่างเดียวไม่เสือเอ่อมเพราะอภิริหานี้จรทำแปลว่าเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอีกเลยเห็นไหมมีแต่ถูกต้องอย่างเดียวไม่มีผิดอย่างนั้นะนะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายและพิสูุนทั้งหลายยังจากเจริญปีติสัมโภชงอันอะนะตลอดการเพียงไรพิสูจทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ ก็เจริญอะไรเจริญปีติสัมโพชฌงอันณาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธาเนาะไปเพื่อการสละหรือว่าปีติสัมโพชฌงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ถูกต้องแล้ว น, นะที่บุคคลเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพาน